พระธรรมเทศนาแผ่นที่777ลำรับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่11มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระยาจิตรราชษหลวงกายนาคร วันในพระของเราทั้งหมด26รูปเมื่อวานไปหาหมอไปนอนโรงพยาบาลศรีนครินทร์สามองค์แล้วก็พระลงมาฉัน สิบห้ารูปวันนี้งดฉันแปดแล้วก็วันนี้เป็นเมื่อคืนนี่ประมาณหกห้าหกทุ่มฝนตกอย่างแรงนะนะพี่น้องลูกหลานฝนแรงเมื่อคืนเนี่ยฟ้าแรงอิกตาหาักสนันวันไหวต้นไม้ที่หน้ากุฏิของหลวงพ่อ ก่งมันมันเป็นไม้กระบากใหญ่ไม้กระบากมันลงไปเกิ่งหนึ่งแล้วละ่ะนั่งเยอะอยู่เกิ่งหนึ่งหลวงพ่อก็ดูอยู่ก็จะอีกนานได้มันจะลงอีกหน้าเนึ่งไหมแต่เมื่อคืนเนี่ย ล, นนลงนเกิ่งไม้กระบากมันเป็นสองสองช่องสองอสองกิ่งใหญ่เป็นง้าครบเมื่อเกือบสิบ ป, ปีมันลงไปข้างหนึ่งแล้วยังเหลืออีกข้างหนึ่ง แต่เมื่อคืนในลง ก, ก็รู้สึกว่าป่าเสียหายไปบ้างก็ไม่มากเท่าไหร่ <c oughs> รู้สึกว่าฝนตกข่าวนี้รู้สึกจะดีเพราะว่าพวกกิ่งไม้พวกใบไม้พวกผลิต ด, ดอกออกพนรู้สึกว่าดีฝนลงมาจาังหวะพอดีพอดีเ <c oughs> มื่อคืนนี้แต่กลมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ก็มีลมอยู่บ้างกระโชกอยู่บ้าง แต่ไม่แรงแต่ฝนรู้สึกว่าเป็นน้ำเป็นเนื้ออยู่เมื่อคืนนี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวัดของพวกเรามีผู้มาถามบอกว่าเป็นวัด รับผู้ปฏิบัติธรรมไหมหลวงพ่ออันนี้คือวัดปฏิบัติธรรมคือวัดพระกรรมฐานเป็นวัดรองรับพุทธบริษัทสแต่ไม่มีการประกาศเข่าคอตออกคอตเข่าคอทางว่าผู้ใดมาปฏิบัติก็ออปฏิบัติถามผู้ใดมาแล้วก็เอาแต่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ สรุปสรุปแล้วก็คือวัดของเราวัดแนวแถวสายของหลวงปู่มั่นเราจะไม่ได้นานทีพวกเราจะได้มีการประกาศมาปฏิบัติธรรมเป็นคอร์สถ้ามีความจำเป็นถ้าเป็นส่วนราชการเข้ามาเราก็เออเอารับเป็นกลุ่มแต่โดยมากพวกเราจะรับ ผู้ปฏิบัติทำรรเรื่อยๆสรุปแล้วก็วัดกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นสายที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยเปิดหลวงพ่อพูดอย่างนั้นหลวงพ่อพูดมาใน mp3 ก็หลายครั้งไม่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยก็คือจุ ราธรรมศาสตร์นะมหาวิทยาลัยเปิดก็คือสุขโขทัยลามําแหง <c oughs> อันนี้คือมหาวิทยาลัยเปิดของหลวงปู่มั่นก็ลักษณะมหาวิทยาลัยเปิดถ้าเข้ามาแล้วก็แนะนําบอกกล่าววิธีการปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ น, นะฉันอาหารมื้อเดียวอย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะอยู่แบบนี้นะ แล้วก็ภาวนาบริกรรมอย่างนี้นะถ้ามีปัญหายังคอยมาถามถามครูบาอาจารย์ที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วนั้นถ้าากว่าเราปฏิบัติยังไม่ได้ผลอะไรตามที่ท่านบอกบอกกล่าวก็เราก็ยังไม่มีปัญหาถ้าถ้าเรามีปัญหาพอภาวนาไปแล้วมันมีปัญหามันต้องมีบางครั้งนะ ถ, ถ้าผู้ภาวนานะก็ต้องมาถาม หรือว่าไม่มาถามท่านก็อบรมแนะนําสั่งสอนแต่ละวันอพอเราคิดจะถามท่านแล้วความในใจแต่ท่านพูดออกมาอือใช่ตรงประเด็นที่เราต้องการอยากจะถามพอดีพอดีในจุดนี้ท่านพูดออกมาแล้วเข้าใจในเรื่องที่เราจะถามอจากนั้นก็มีมากต่อมากเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่าน ปฏิบัติท่านภาวนาผ่านมาแล้วท่านรู้ว่าวิธีการภาวนาบริกรรมหรือว่าการดําเนินทางสมาธิและวิปัสสนาสมาธิคือทําจิตใจให้สงบวิปัสสนาก็คือการแยกแยะกันกรองไตรตองเหตุและผลพิจารณาหาเหตุผลในที่เรื่องเราที่เรื่องเราอยากจะรู้แต่ไม่ใช่ออกนอกลู่นอกทาง เป็นแนวความคิดที่จิตใจของเราข้องแวะข้องแวะในเรื่องนั้นๆตาไม่จริงพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าข้องแวะเรื่องอะไรใจของเราข้องแวะเรื่องเครื่องเรื่องอะไรท่านบอกได้แล ว, ว่ามันหลงกายใจของเรามันหลงกายท่านพูดตรงเลยเพราะว่าเวลาพระ เข้ามาบวชจะบวชเป็นสมณีนก็ตามจะบวชเป็นพระก็ตามท่านจะให้กรรมฐานห้าทันทีเลยพอบวชเข้ามาแล้วก็ก่อนที่จะบวชท่านจะให้กรรมฐานเป็นอาวุธไว้ก่อนเลยให้ดูนะกรรมฐานห้านะเกซาโลมาณฆาทันตาตะโจอันนี้คือเป็นบาลีเกซาคืออะไรผมเกสาผมในศรีรษะนะ โลมาคือขนในร่างกายนะนะ้ขาเล็บในปลายมือปลายเท้านะทันตาคือฟันนะแต่โจคือหนังหนังหุ้มร่างกายอยู่นี่แหละอันนี้คือร่างกายของเราแต่อีกสักวันหนึ่งทั้งห้าอย่างเนี่ยจะต้องจูงในกฎอนันใดอยางทุกขังอาอันตาเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดนะใจนะคือท่าน ท่านพระพุทธเจ้าท่านแต่พวกเราไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรแต่ว่าเมื่อเราได้ฟังแต่ทีแรกเราก็รู้ว่ากายเกษาผมโลมากุนนะะัขาเล็บทันตาพันตะโจนังเอาอะไรพิจารณาเอาใจพิจารณาแต่ถ้าเมื่อเมื่อเราพิจารณาหรือว่าเราได้ปฏิบัติรู้แจง้งหอว่าจริงจังแล้วเราจะรู้ได้เลยทีนี้ร่างกาย ร่างกายหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใจคือนามธรรมเอาใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมคือมโนมาพิจารณาร่างกายนี่มันหลงอะไรหลงร่างกายนี่เท่นี่นะอันนี้แหละคือการที่ครูบาอาจารย์ท่านพระพุทธเจ้าท่านให้ดูดูการที่ใจของเราเนี่ยหลงร่างกายแต่หลวงพ่อกับ มาพิจารณาดูแล้วหลวงพ่ออะไรเปรียบเทียบให้ให้เป็นของตื้นขึ้นมาคล้ายๆว่าให้มองเห็นให้มองเห็นได้ง่ายหลวงพ่อว่าร่างกายเนี่ยเอเปรียบเทียบเหมือนกับรถหลวงพ่อก็พูดแต่นี้หลวงพ่อว่าเปรียบเทียบเหมือนกายเหมือนกับพระนครพระนครหนึ่งฮ เ, เรื่องเมืองหนึ่งเออแล้วว่าตั้งชื่อว่ากายนคร เมืองร่างกายของรอนเปรียบเทียบเหมือนกายยนครนครของกายแต่ในตัวนพระนครเนี่ยคือเจ้าที่ของนครนั่นเจ้าที่ของนครชื่อว่าพระญาจิตรราชหรือมโนหรือจิตจิตราราชคือจิตใจคือนามธรรมเป็นผู้ครองครองนครกายยนครแต่เมื่อ กายนครนี้ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ออกมาจากที่แรกพระยาจิตรราชก็ครองครองเมืองกายยนครตัวนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพระยาจิตรราชเนี่ยห่วงมากว่ากายนะักายยนครกับตัวเองจิตพระยาจิตรราชเนะี่ยจิตกับกายเนะี่ยเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันเลยรักห่วงมาก จนแยกกันไม่ออกพยาจิตราชกับกายนครแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าดูแล้วท่านเอามาพูดให้ฟังเอามาขยายผลให้ฟังเพราะว่าทุกคนมันติดมันติดข้องอยู่ในร่างกายปยาคือจิตใจของเรานมันติดอยู่ในร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันห่วงห้ามห่วงแหนอย่างมาก แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนะจิตตราชนะอย่าไปหลงในร่างกายเกินไปนะอีกสักวันหนึ่งนะต่อไปภายภาคหน้าไม่ว่าวันไหนล่ะมันจะต้องหลุดออกไปพยาจิตตราชษจะว้าเว ท, ทุกมากใ้เมื่อนั้นอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านอตัดไวแ้แล้วจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรามาขยายผล คือร่างกายเนี่ยก็คือกายยนครจิตใจนมามธรรมคือพยาจิตรราชแต่มันมีคู่อริศัตรูของพยาจิตรราชนั่นก็คือพยามัจจุราชนะพยามัจจุราชเนี่ยเป็นคู่อริศัตรูกับพยาจิตรราชพญามัจจุราชเนี่ยกับจะแย่งชิงกายยนครจะแกง แย่งชิงกายยนครคอนพญามัตรุราชก็ส่งทหารฉร า, าพญาทิเข้ามาสรุปแล้วก็คือพระเดชศึกก็คือมรณะแต่ยังประเดชศึกไม่ได้ก็คือส่ง ท, ทหารฉร า, าพญาทิชร า, าคือคือความแก่พญาทิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยส่งเข้ามาเรื่อยเลื่อย ซึมซับเข้ามาเรื่อยแต่พญาจิตรราชในเมื่อความแก่พญาจิตรราชก็ส่งขุนพลโอสถขุนพลเพศศออกมาสู้ชะลอความแก่ทํำยังไงแล้วก็แก่เวลาเจ็บปวดทํำยังไงพญาโอสถพญาเพศศชะลอกันคลๆว่าปะทะกันมาตลอด บางครั้งพญามัจจุราชก็ส่งทหารเข้ามาตีศีรษะอปวดศีรษะพญาจิตรราชก็ส่งพญาโอสถยาแก้ปวดเข้าไปอหายปวดศีรษะพญาจิตรราชก็ดีใจว่าตัวเองชนะอไปเปาะหนึ่งฮอจากนั้นพญามัจจุราชก็ไม่ลดละส่งทหารเข้ามาเอตี ฟันก็ฟันร่วงตีตากระตาฟ้าฟางตีหูก็หูตึงตีหนังก็หนังเหี่ยวในร่างกายของเรามากมายเพราะความชราเรียกว่าความ เ, เจ็บปวดพยาธิมากมายแต่พยายามจิตรราชก็ไม่ลดละเหมือนกันต่อสู้รักษาเมืองตัวเองเอาไว้ สงพยาเภสัตพยาโอสดดูตลอดเวลาแปลว่ารักมากรักร่างกายพยาจิตราษนี่แหละถ้าหาว่าพยาจิตราษยังหลงอยู่ในร่างกายของตัวเองคิดว่าจะสู้ไปจนที่ถึงที่สุดจนไม่ได้คิดอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าระวังนะจิตราษนะโง่นะ อีกสักวันหนึ่งนะถึงยังไงมันก็สู้เขาไม่ได้หรอกพญามัจรุราชต้องเผด็จศึกแน่ๆท่านไดเตรียมพร้อมหรื อ, อยังก่อนที่จะสู่ลบตบศึกกับพญามัตจุราชนั้นะท่านไม่ใช่ว่าจะต่อสู้อย่างเดียวนะท่านควรจะเก็บหอมล้อมเล็บสมบัติของท่านไว้ด้วยท่านควรจะเก็บหอมสมบัติ ล, ล้อมเล็บของสมบัติในเมื่อพญา มัจจุราชประเดชศึกเมื่อไหร่เรายอมแพ้มเมื่อไหร่อย่างน้อยเราก็ได้ทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาของมีคของมีค่าติดตัวออกไปไปสร้างเมืองใหม่อีกเพราะว่าใจตรงนี้นะ่ะมันไม่ตายนะมันไม่ดับไม่สูญนะ เ, เราก็ควรจะเอาสมบัติของเราไปอึดอีกไปอยู่เมืองนอกไปสร้างอีกเมืองขึ้นมาอีกแต่ทิศยังไงก็ตาม เมืองไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกพญามัจจุราชก็ไปลาวีอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นว่าที่จะสิ้นสุดที่พญามัจจุราชตามไม่ทันนั่นคืออะไร เ, ะเพราะว่าไม่ต้องเกิดจุดนั้น่ะพระเจ้พระพุทธเจ้าท่านดูวิธีการที่จะให้เกิดนั้นคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะ ที่จะทําให้จิตใจตรงนี้เกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดต้องชําระใจจิตชำระกิเลสคือราคะโทสะโมหะเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละจิตใจตรงนี้จะไม่มาเกิดอีกจิตใจที่บริสุทธิ์นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศูนยอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชือ้อ เชื้อคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละตัวพานําจิตใจตรงนี้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นกิเลสตัวนี้น่ ะ, ะถ้ากิเลสไปในทางชั่วอมีแต่ทาความชั่วกิเลสพาทาความชั่วความชั่วนะี่คือชอบฆ่าสัตว์ขมโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกาลโกหกดื่มสุราอันนี้แหล ะ, ะคือความชั่ว ในเมื่อทำความชั่วเข้าไปแล้ววิญญาณดวงนี้ก็ต้องรับรับความชั่วคือรับโทษที่ตัวตัวเองได้กระทำเอาไว้คิดชั่วทาชั่วพูดชั่วความชั่วให้ผลวิญญาณดวงนี้นั่นแหละจะเดือดร้อนนะเมื่อคิดชั่วทาชั่วทพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลวิญญาณดวงนี่แหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราคิดดีทาดีพูดดีสิ่งดีนห้นที่มันดี วิญญาณคุณดวงนี้ก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขไม่ว่าแต่วิญญาณในอัตภาพนี้ก็เถอะนะถ้าพวกเราคิดชั่วทำชั่วขึ้นมากรรมชั่วให้ผลตารวจจะไล่ตะคุบพวกเราก็จะต้องเดือดร้อนหาที่หลบที่ซ่อนไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเราทำไม่ดีถ้าเราทำดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขไปหมดหมดคิดดีทำดีพูดดี นี่ยแะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือตั้งแต่กายยนครพญาจิตรราชพยามัจจุราชมีทาหารขุนพลทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันแต่สรุปแล้วก็คือพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ถึงยังไงพยามัจจุราชต้องเผด็จศึกแน่ๆพวกเราจะต้องหนีออกจากร่างนี้เพราะร่างนี้ถึงจะใช้ไปนานกา็แก่เจ็บและก็ตายในที่สุด เพราะว่าร่างกายเนี่ยถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอาหารคําละหมื่นละแสนก็เถอะยาเม็ดละแสนละล้านก็เถอะผ้านุ่งห่มจะเป็นทองคําทั้งหมดก็เถอะบ้านที่จะรูอยู่หลูหราโออาร์ขนาดไหนก็เถอะใหะ้ร่างกายนี่อยู่ร่างกายไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้า ไม่มีวันที่จะหนุ่มจะสาวไปข้างหน้ามีแต่กแก่ลงไปเรื่อยๆผลในสุดถึงจุดจบนี่แหละพระพระพุทธองค์ท่านบอกว่าแต่มันจุดจบแล้วมันไม่ตายแล้วไม่สูญ น, นะจุดนั้นแหละคือว่าตายแล้วสูญแล้วก็จบไปไม่มีอะไรถ้าตายแล้วไม่สูญจุดนั้นที่พวกเราจะต้องได้คิดแต่ทุกวันนี้คนทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์ ขแขนงไหนก็ตามทั้งไม่ว่าแพทยศาสตร์ไม่ว่าศาสตร์ไหนเขาก็บอกว่าร่างกายเนี่ยตายแล้วมันศูนย์ใช่ศูนย์จริงร่างกายแต่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านบอกว่าอย่างนามธรรมคือตัวจิตใจนั่นนะพระพุทธองค์ยืนยันเลยปุบเพนิวาสานุจติยาณเมื่อพระองค์ทําจิตใจให้สงบแล้วท่านระลึกด้ระลึกชาติผลหลังได้ว่าปุบเพนิวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้ พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์มาจากไหนมาเกิดเรามาจากไหนมาเกิดที่นี่แล้วจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้อว่าจุตูปะปาตยานแต่สรุปแล้วก็คือใจดวงนี้ทุกคนมีกรรมกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นผู้จำแนกได้ทำกรรมดีและกรรมชั่วเอาไว้ถ้าทำกรรมดีเอาเอาไว้เกิดมาพบใดชาติใด กรรมดีให้ผลเราจะมีความมีแต่ความร่มเย็นผาสุขราบรื่นในชีวิตถ้ากรรมชั่วให้ผลใครทำกรรมชั่วให้ผลเกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นบ้าใบบอดอวัยวะพิกลพิ ก, การโง่ทุกข์ยากลําบากหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้น ขาพระองค์จึงว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะวันนี้หลวงพ่อได้เปรียบเทียบกายยนครกับพญาจิตรราชให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพญาจิตรราชเนี่ยตายไม่เป็นแต่ร่างกายนี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแต่พญาจิตรราชเนี่ยจะต้อง หนีออกจากร่างกายแต่พยาจิตราชโง่นะไม่ได้คิดอะไรไมีแต่คิดสู้อย่างเดียวคิดอยู่อย่างเดียวนะเมื่อออกจากร่างนี่กันหางจุกตูดเลยไม่มีสมบัติแม้แต่หน่อยเดียวติดตัวไปแต่ถ้าพยาจิตราชได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจา ก, จากนักบันฑิตนักปราชญคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างน้อยก็ต้องเหยียบเรือสองแคมเอาไว้ ถ้าตายแล้วศูนย์เราก็ได้ทำคุณงามความดีไม่ให้มไม่มีให้ใครไม่เดือดร้อนกับเราถ้าตายแล้วเกิดเราก็จะต้องไปสู่ความสุขเพราะอะไรเพราะเราก็ได้ทําคุณงามความดีไว้แล้วละฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะอย่าฉลาดใจในจุดนี้จนเกินไปให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้นะ ต่อนนี้ไปวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร